َقَالُوا الْقُرْآنُ الْقَرْيَ لَوْلَانُ الزِّلَهَا ذَا َجْرِمْ และพวกเขากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาให้แก่ชายผู้มีความสำคัญแห่งสองเมือง น, นี้ละ่ะ พวกเขาเป็นผู้แบ่งปันความเมตตาแห่งพระผู้พิบาลของเจ้ากระนั้นหรือเราตังหากที่เป็นผู้จัดสรรการทำมาหากินของพวกเขา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 َ يَعْشُ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ لَهُ และผู้ใดผิดหลังจากการดำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาเราจะเตรียมไายตอนตัวหนึ่งไว้ให้แก่เขาแล้วมันจะเป็นสหายของเขา َإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ أَنَّهُم َيَحْسَبُونَ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 ถ้าระวางฉันกับเจ้ามีระยะห่างกันเช่นทิศตะวนันออกกับทิศตะวันตกก็จะดีสหายเหล่านี้ช่างชั่วช้าแท้แท้และในวันนั้นจะไม่เกิดผลอันใดเลยแก่พวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าได้อธรรมแม้ว่าพวกเจ้าจะมีหุ้นส่วนร่วมกันในการรับโทษก็ตาม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 ดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นตามที่ได้ถูกองค์การลงมาแก่เจ้าถ้าจริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงวอและถ้าจริงอัลกุรอานคือข้อตักเตือนสำหรับเจ้าและสำหรับกลุ่มชนของเจ้าและพวกเจ้าจะถูกสอบสวน และเจ้าจงถามผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนเจ้าจากบรรด า, าศาสนาทูตของเราว่าเราได้ตั้งพระเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณา เพื่อเคารพบูชาคณะนั้นเลย ا إ และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราไปยังฟิร์กาวและบรรดาผู้นำของเขาแล้วเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นาศนาสนทูตแห่ง พระผู้อวิบาลแห่งสาวกวาละโลกขั้นเมื่อเขามูสาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและพวกเขาก็หัวเราะเยาะต่อสัญญาณนั้นๆ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 และเมื่ออีซาอิบนูมารยัมถูกยกมาเป็นอุทาหอนดูสิกลุ่มชนของเจ้าก็โห่ร้องด้วยความขบขันและพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทั้งหลายของเราดีกว่าหรือว่าเขาอีซา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 และแท้จริงเขาอีชาแน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งวันอวสารดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้แต่จงปฏิบัติตามฉันนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง และย่าให้ชายตอนมาขัดขวางพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นสตรูตัวฉกาจของพวกเจ้าวันนั้นเมื่ออิสสะَบลเบยินาที่กล่าววَ ا ข้ ق َด้เจ้าคุณเบล ح ك م ل ْลِอْ م บยِนَ ل ล่าคุณบางَ่วนที่ทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันจงจงตั้งใจที่ ل ل َّ ه َอَ أ َ ط ِ ي ع ُ و ن ง และเมื่ออีซาได้มาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งเขากล่าวว่าแน่นอนฉันได้มาหาพวกเจ้าพร้อมด้วยบทบัญญัติแห่งคมภีร์อินยีนและเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกเจ้าให้กระจ่างแจ้งในบางเรื่องที่พวกเจ้าขัดแย้งกันดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติ ต, ตามฉันเถิดอินนัลลอฮ์ฮะรบบีวะรบบุคุมฟะบุดู ถ้าจริงอลลอฮนั้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพภักดีพระองค์เถิดนี่คือแนวทางอันเที่ยงถบนิกายต่างๆ ได้ขัดแย้งกันในระหว่างพวกเขาดังนั้นความพยา na จงประสบแก่บรรดาผู้อาถรรมเนื่องด้วยการลงโทษแห่งวันอันเจ็บปูดพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งอื่นใดนอกจากวันอวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว ในวันน like, ั้นบรรดามิสหายจะเป็นศัตรูต่อกันและนอกจากบรรดาผู้ยำเกรงอัลลอฮ์ท่าน ไม่มีความหวาดกลัวใดแก่พวกเจ้าในวันนี้และพวกเจ้าไม่ต้องเศร้าสลดใจ ي ي บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นมุสลิมพวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ ทั้งตัวของพวกเจ้าและคู่ครองของพวกเจ้าอย่างสดชื่นจ่มใสเถึดจะมีจานทำด้วยทองคำและแก้วน้ำถูกนำมาเวียนรอบๆบพวกเขา และในสวนสวรรค์นั้นจะมีสิ่งที่จิตใจของพวกเขาต้องการและสายตาของพวกเขาชื่นชมยินดีและพวกเจ้าจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกให้รับเป็นมรดก ตามที่พวกเจ้าได้กระทําความดีเอาไว้ในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้มากมายสําหรับพวกเจ้าพวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากมันบรรดาผู้กระทําความผิดนั้น จะถูกลงโทษอยู่ในนรกยานนำตลอดกาลการลงโทษนั้นจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและในการลงโทษนั้นพวกเขาจะเป็นผู้หมดหวัง كن, และเราไม่ได้อาทธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาต่างหาก ที่เป็นผู้อาธรรมต่อตัวเอกและพวกเขาจะร้องเรียกขึ้นว่าโอ้มาลิกอย่าเฝ้าประตูนรกโปรดให้พระผู้อภิบาลของท่านจัดการให้เราตายเสียเถอะเขามาลิกจะกล่าวว่า แท้จริงพวกเจ้าเป็นผู้พานักอยู่ตลอดไปโดยแน่นอนเราได้นำความจริงมายัางพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าส่วนมากเป็นผู้ชิงชังความจริ ง, أ أ งรหรือว่าพวกเขาได้ตกลงวางแผนในเรื่องใด ดังนั้นแน่นอนเราได้ตกลงวางแผนเช่นกันที่จะทําลายแผนของพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าเราไม่ได้ยินความลับของพวกเขาและการประชุมลับของพวกเขาแน่นอนเราได้ยินและทูตของเราอยู่กับพวกเขาเพื่อจดบันทึก أ أ จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงมีโอรสดังนั้นฉันจะเป็นคนแรกในหมู่ผู้เคารพพักดีทั้งหลายสู มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้วิบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระผู้วิบากแห่งบัลลังทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบวันเกียรมาของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้และพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและพระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและพระองค์คือผู้ทรงปริชาญานผู้ทรงรอบรู้ ความสิริมงคลจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์าที่พระองค์นั้นมีความรอบรู้ถึงวันอวสาน และอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปและบรรดาผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นจากพระองค์นั้นจะไม่มีอำนาจในการขอความช่วยเหลือนอกจากผู้ยืนยันเป็นพยานด้วยความจริงโดยที่พวกเขารู้ดี และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอ์และทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น และจะมีเสียงกล่าวของเขาว่าโอ้พระผู้บิบาลของฉันแท้จริงชนเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาดังนั้นเจ้าจงให้เอาภพยพวกเขาและจงกล่าวว่าสันติและพวกเขาก็จะรู้